เจิญ <11. S 2> พรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2546เป็นวันแรม8ค่ำเดือน7เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวณะวันฟังธรรมญาติโยมจึงได้มา ที่วัดร่วมกันเพื่อปฏิบัติศาสนาิจอันเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้ผู้มีความแน่วแน่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเราเชื่อว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทรงนำพาปฏิบัติทรงสั่งสอนพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงานเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นเท่าที่ท่านได้รู้ได้เห็นกันเรา ย, ยังต้องอาศัยท่านเป็นผู้นำทางพาเราไปสู่สิ่งที่เราปรารถนากัน คือสู่ความสุขความเจริญเพราะถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางพาเราไปแล้วเราก็จะหลงทางกันเพราะว่าทางที่เราต้องการจะไปนั้นเป็นทางที่คดเคี้ยวเป็นทางที่สลับซับซ้อนถ้าไม่ฉลาดจริงๆไม่รู้ จริงๆแล้วยากต่อที่จะเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางอันที่ดีที่งามที่ประเสริฐได้จุดหมายที่เราต้องการไปเราก็รู้อย่างคร่าวๆว่าเป็นที่ที่เรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเป็นที่ที่เราไม่ต้องมีแต่ไม่ไม่ต้องพบกับความทุกข์ความเสื่อมเสีย ความหายยนาะความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราทุกคนปรารถนากันและทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตของเราอยู่เราก็ดำเนินเพื่อผลอันนี้ด้วยกันทุกคนแต่ตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมาย ปลายทางที่เราต้ อ, ตองการได้ชีวิตของเรายังเป็นไปแบบรุ่มๆุ่มตอนๆอนมีสุขบ้างมีเจริญบ้างมีทุกข์บ้างมีเสื่อมบ้างนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปทานที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาบุทั้งหลายได้ดำเนินไปเรายังไม่ได้ปฏิบัติตามทุกข้อ ทุกบทที่ท่านทรงสั่งทรงสอนเราบางครัง้งบางคราวเรายังทะเลทลายแทนที่จะัดแทนที่จะตรงไปเราก็ขอเลี้ยวซ้ายแวะเข้าไปสถานที่นี้สักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังเมื่อเป็นเช่นนี้เราเลยยังไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่งามที่ควร นั่นก็เป็นเพราะว่าในใจของเรานั้นยังมีตัวยุแย่ก่อกวนหลอกล่อให้เราทลเเละถลลไม่ให้เรานำเนินไปในในทำนองครองทรงที่พระพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปและได้สอนให้พวกเราปฏิบัติตามกัน ชีวิตของเราจึงเป็นไปแบบลุ่มๆุ่มตอนๆ ด, ดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกบ้างด้วยเหตุ น, นี้เราจึงต้องเข้าสู่วัดอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้มารับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปเพราะ หลังจากเจ็ดวันไปแล้วเราก็จะหลงหลืมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราก็จะถูกผู้ที่อยู่ในใจของเราคอยยุยงแย่คอยหลอกเราให้ไปในไปทําในสิ่งที่เป็นผลเสียตามมาทีหลังโดยที่หลอกเราว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา เราก็เผลอก็เชื่อสิ่งที่มีอยู่ในใจที่คอยกระซิบกระซาบเราเราก็เลยทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทร ง, งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันชีวิตของเราจึงต้องอาศัยพระพุทธศาสนาคือเราต้องเข้าวัดอย่างสม่ําเสมอเปรียบเหมือนกับเวลาเรามีรถยนต์ เราก็ต้องเข้าสถานีบริการอย่างสม่ำเสมอเพราะน้ำมันที่เติมอยู่ในรถยนต์นั้นหลังจากที่เราใช้ไปสักระยะหนึ่งน้ำมันก็จะค่อยๆหมดไปถ้าเราไม่แวะเติมน้ำมันต่อไปน้ำมันที่มีอยู่ในถังน้ำมันนั้นก็จะหมดไปเมื่อหมดน้ำมันแล้วรถก็ไม่สามารถที่จะ วิ่งไปไหนมาไหนได้เราก็ต้องลำบากแทนที่จะนั่งอยู่ในรถไปนูน่นไปนี่ได้อย่างสะดวกสบายเราก็ต้องลงเดินไปเพราะว่าเราประมาทเราไม่เข้าไปเติมน้ำมันเมื่อถึงเวลาที่สมควรที่จะเข้าไปเติมน้ามันนอกจากเติมน้ำมันแล้วเราก็ยังต้องดูแลสภาพรถยนต์ว่าขาดตกบกพร่องอย่างไร ส่วนไหนชำรุดชุดโซลส่วนไหนจำเป็นที่จะต้องมีการซ่อมแซมบํารุงรักษาก็เราก็ต้องทํากันฉันใดชีวิตของเราก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์คันนี้ก็คือดวงจิตดวงใจของเราดวงจิตดวงใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ก็ได้จะพาเราไปสู่นรกก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ดวงใจของเราได้การรับได้รับการดูแลทานุบำรุงรักษาอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ได้รับการทานุบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกต้องรถยนต์คือใจของเราก็จะเดินทางไปสู่ทิศทางที่ไม่น่าจะไปทิศทางที่จะนามาแ ต, แต่แต่เรื่องราววุ่นวาย เรื่องของความทุกข์เรื่องของความเสื่อมเสียทั้งหลายแต่ถ้าเราได้เข้าสู่วัดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งหนึ่งเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งเข้าสู่สถานีเติมน้ํามันรถรถยนต์คือใจของเราก็จะได้รับการทํานุบารุงดูแลรักษาด้วยการปฏิบัติ ต, ต่างๆเช่นในวันนี้ท่านก็ได้มาทํา สิ่งที่จะเสริมสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้กับจิตใจเป็นเหมือนกับการเติมน้ำมันเป็นเหมือนกับการซ่อมบำรุงจิตใจให้จิตใจมีพลังให้จิตใจมีความรู้ความฉลาดที่จะนำพาจิตใจไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดีงามได้เช่นวันนี้ท่านก็ได้มาทำบุญทำทานได้มาสมาทานรักษาศีลได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มาบูชาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมตระสงฆ์สิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมรักษาให้ใจิตใจนั้นอยู่ในสภาพที่ดีที่พร้อม ที่จะพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญอย่างแท้จริงเราจึงไม่ควรมองข้างการมาวัดเพราะว่าถ้าเราไม่มาวัดแล้วรับรองได้ชีวิตของเรานั้นจะต้องเกิดการว่าวุ่นขุนวัวขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะขาดการทานุบำรุงดูแลรักษา ขาดการอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงสิ่งที่ควรไม่ควรสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะว่าในใจของเรานั้นยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในใจของเรายังมีความรู้ที่ไม่ถูกเรามักจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัว เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะมักทําในสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนากันแทนที่จะทําความดีเราก็ไปทําความชั่วกันแทนที่จะหลบเลีกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเราก็เดินเข้าหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแทนที่จะกําจัดสิ่งที่เป็นเป็นโทษกับเราเรากลับไปส่งเสริม ให้มันเจริญรุ่งเรืองมาก ย, ยิ่งขึ้นไปเมื่อเป็นเช่นนั้นใจของเราแทนที่จะมีความสุขมีความสบายเหมือนกับร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคร่างกายของเราถ้าเราดูแลรักษาไว้ให้ดีเวลารับประทานอาหารก็รับประทานอาหารที่สะอาดเวลาสูดอากาศก็สูดอากาศที่บริสุทธิ์ เชื้อโรคต่างๆก็จะไม่สามารถเข้ามาทำร้ายร่างกายของเราได้ใจของเราก็มีเชื้อโรคเช่นกันถ้าเราไม่คอยป้องกันหรือคอยกาจัดเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ให้กับใจแต่กลับไปส่งเสริมกลับไปดึงเอาเชื้อโรคต่างๆเข้ามาให้พอกพูนมากยิ่งขึ้นไปภายในใจ ใจของเราก็จะหาความสุขไม่ได้ใจของเราก็เปรียบเหมือนกับร่างกายถ้าร่างกายมีแต่เชื้อโรคร่างกายก็จะไม่เป็นปกติร่างกายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอแต่ถ้าเราคอยดูแลและรักษาร่างกายคอยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาทางอากาศก็ดีทางน้ำก็ดีทางอาหารก็ดี เมื่อไม่มีเชื้อโรคเข้าม า, ร, าร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงร่างกายของเราก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายถ้ามีเชื้อโรคของใจเข้ามาแล้วใจของเราก็จะต้องเจ็บต้องปวดต้องทุกข์ต้องวุ่นวายเชื่อโรคของใจนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ว่าสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างสร้างความวุ่นวายให้กับใจก็คือกิเลสกิเลสนี้ได้ได้แก่อะไรกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นตัวที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราแต่พวกเรานั้น กับไม่รู้ว่าความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นเหตุที่จะทําลายเราที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราแทนที่เราจะคอยกําจัดมันเหมือนกับเราคอยกําจัดเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายเรากับส่งเสริมกับเพิ่มพูนให้มันมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไป วิธีที่เราส่งเสริมหรือทำให้เชื้อโรคของใจคือความโลภความโกรธความหลงนั้นมีจำนวนมีกําลังมากขึ้นไปก็เกิดจากการโรค ก, การโกรธความหลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองคือทุกครั้งที่เรามีความโลภแทนที่เราจะระงับความโลภเรากลับส่งเสริมความโลภคือโรคต่างเช่น โรคอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่พอมีความโรคอย่างนั้นแทนที่จะหยุดใจตัวเองบอกว่าเอาไปทำไมเท่านี้ก็พออยู่พอกินอยู่แล้วเอาไปหาเรื่องเปล่ า, ากับไม่คิดอย่างนั้นพอเห็นอะไรอยากจะได้ก็รีบวิ่งเข้าไปหาสิ่งนั้นทันทีถ้ามีเงินก็จะซื้อมาทันทีถ้าไม่มีเงินก็ต้องหาเงิน หาเงินก็หาได้สองวิธีหาด้วยวิธีสุดจริตและหาด้วยวิธีทุจริตถ้าหาด้วยวิธีที่สุดจริญไม่ได้ก็ต้องหาด้วยวิธีทุจริตเมื่อหาด้วยวิธีที่ทุจริตแล้วก็เป็นปัญหาตามมาเพราะเมื่อเราไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีใครเข้าปรารถนา เป็นคนที่เขาต้องการจะกาจัดเขาก็จะต้องจับเราไปขังในคุกในตารางหรือนำไปทำลายเลยทีเดียวเพราะว่าคนทุจริตนั้นอยู่ที่อยู่ในสังคมแล้วต้องสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่นนั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเวลาที่เราเกิดความโลภแล้วเราใช้เหตุผล คือถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราต้องการนี้มันจำเป็นไหมเช่นเราต้องเราเดินไปผ่านร้านขายเสื้อผ้าเห็นเสื้อผ้าเขาวางขายอยู่แล้วก็เกิดความชอบขึ้นมาอยากจะได้ขึ้นมาเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเสื้อผ้าชุดใหม่ที่เราต้องการจะซื้อนี้มันมีความจำเป็นไหมถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าชุดนี้แล้ว เราจะอยู่ได้หรือไม่เราจะไม่มีเสื้อผ้าใสหรือเปล่าเราต้องเดินไปไหนล่อนจ้อนไม่มีเสื้อผ้าใสหรือเปล่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็ซื้อมาหามาได้แต่เวลาซื้อเวลาหามาก็ต้องหามาด้วยความถูกต้องคืออย่าไปทำในทางที่ทุจริตหามาด้วยวิธีสุดจริต ถ้ามีสตังก็ซื้อถ้ายังไม่มีสตัง์ก็อดใจรอไว้ก่อนไปทํางานทําการหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้พอพอได้เงินทองพอที่จะมาซื้อเสื้อผ้าชุดนั้นแล้วค่อยนําไปซื้อต่อไปถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ถ้ามันไม่จําเป็นเราทําไมจะต้องไปซื้อมาทําไม ให้เสียเงินเสียทองเปล่ า, เ, ลาเงินทองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาง่ายและเงินทองก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่านอกจากเสื้อผ้าแล้วเรายังต้องมีสิ่งอย่าอื่นอีกหลายอย่างที่เราต้องอาศัยเงินทองเป็นของแรกเปลี่ยนเช่นเราต้องมีอาหารไว้คอยรับประทานเราต้องมีอยู่ยาไว้คอย รักษาโรคภัยไข้เจ็บเราต้องมีบ้านอยู่อาศัยอย่างนี้เราควรที่จะเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่ดีกว่าหรือเผื่อวันข้างหน้าเกิดเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้มีเงินทองไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือถ้าเกิดบ้านเกิดชารุดชุดโซมต้องซ่อมแซม ก็เอาไปซ่อมแซมได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าเราใช้เหตุผลทุกครั้งเวลาที่เรามีความโลภความอยากเราก็จะสามารถระงับความโลภความอยากได้ความโลภนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะระงับกันไม่ได้ที่เราระงับกันไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่เคยคิดที่จะระงับมันนั่นเองเพราะความหลง เพราะทุกครั้งที่เราโลภแล้วเราได้ในสิ่งที่เราโลภมาเราจะเกิดอาการดีอกดีใจมีความสุขไปชั่วขณะหนึ่งนี่เป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากการทำต่างความโลภแต่มันเป็นผลดีชั่วประเดียวประดาวเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวเพราะหลังจากนั้นแล้ว มันก็จะทำให้เราโลภมากเพิ่มขึ้นไปอีกคือแทนที่ว่าเมื่อเราได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราจะพอนั่นไม่ใช่เป็นผลที่จะตามมาความพอนี้มันไม่เกิดขึ้นจากการทำตามความโลภตามความอยากแทนที่เราจะเกิดความพอเรากลับเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปอีก เช่นพอเราได้เสื้อผ้าชุดนี้แล้วพอเราเดินไปอีกสองสามเก้าไปเจออีกร้านหนึ่งมีเสื้อผ้าที่สวยกว่าชุดที่เราเพิ่งซื้อมาเราก็เกิดอาการโลภเกิดอาการอยากขึ้นมาอีกแล้วเราแทนที่จะมีความสุขจากเสื้อผ้าชุดที่เราเพิ่งซื้อไปเมื่อกี้นี้ยกหยกก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเสียแล้วเกิดความอยากอีกแล้ว ถ้าไม่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่ที่ที่เห็นมากับตาก็จะไม่มีความสบาย อ, อกสบายใจก็เลยต้องควักกระเป๋าดูเงินทองถ้ามีเงินทองพอก็ซื้อใหอีกชุดหนึ่งทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่เมื่อไรแต่เมื่อเกิดความอยากความชอบแล้วแล้วมีกำลังมีความสามารถที่จะซื้อสิ่งนั้นได้ ก็จะซื้อสิ่งนั้นมาทันทีโดยไม่คำนึงถึงวันข้างหน้าว่าต่อไปเงินทองที่มีอยู่นั้นมันพร่องมันล่อยหลอแล้วหมดหมดไปเกิดมีความจำเป็นอย่างอื่นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองขึ้นมาเราจะทาอย่างไรไม่ถ้าไม่มีแล้วยังต้องการที่จะต้องใช้อยู่เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมา การเป็นนี่เป็นสินนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีมันเป็นภาระทางด้านจิตใจมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเวลาเป็นนี่เขาแล้วก็ไม่อยากที่จะไปเจอเจ้าหนี้เวลาเห็นเจ้าหนี้ก็เขาก็จะต้องทวงหนี้เราเราก็มีความรู้สึกไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจนี่เป็นผลที่จะตามมาถ้าเราไม่รู้จักระงับความโลภ พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราหัดใช้ธรรมะเข้ามาต่อสู้กับความโลภธรรมะที่ควรจะใช้ก็มีอยู่สองคือความมากน้อยกับความสันโดษคำ ว, ว่าความมักน้อยก็คือเอาน้อยนอยใช้น้อยๆยกินน้อยๆเอาเท่าที่จําเป็นอย่าไปโลภมากอาหารกินเท่าพออิ่มก็พอ อย่าไปกินเพราะว่าเราถูกเราชอบรสของอาหารกินจนกระทั่งพูงกลางออกมาอย่างนี้มันเกินความจำเป็นพอกินแล้วรู้สึกว่าท้องมันอิ่มแล้วก็หยุดรับประทานถึงแม้ว่าอาหารที่รับประทานนั้นจะรอร่อยอร่อยจะดีจะเลิศจะวิเศษแค่ไหนก็ควรที่จะหยุดรับประทานและอาหารที่เรารับประทานนั้นก็ไม่จาเป็นจะต้องเป็นของราคาแพง ของอ า, าอาหารราคาถูกๆ ก, กินเข้าไปในท้องมันก็อิ่มเหมือนกันกินอาหารมื้อละห้าสิบบาทกับกินอาหารมื้อละห้าร้อยบาทมันก็อิ่มเหมือนกันเพราะว่าร่างกายนั้นมันไม่รู้หรอกว่าอาหารที่เข้าไปในท้องนั้นเป็นอาหารราคาเท่าไหร่ตัวที่รู้นี้ก็คือใจถ้าใจไม่มีปัญญาไม่มี เหตุไม่มีผลก็จะถูกกิเลสคือความลุ่มหลงหลอกว่าถ้าได้กินอาหารมือหนึ่งราคาแพงๆแล้วจะมีความสุขแต่ถ้ากินอาหารราคาถูกๆนั้นจะไม่มีความสุขนี่เป็นการหลอกกันอย่างชัดเจนแต่ใจที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีธรรมะนั้น จะหลงตามความคิดของความหลงนี้แทนที่จะกินข้าวมื้อละห้าสิบบาทก็ต้องถอไปกินมื้อละห้าร้อยบาทแต่ถ้ามีเงินมีฐานะที่จะกินก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่มีฐานะเราไปกินอาหารแบบนี้เข้าต่อไปเงินทองเราก็จะไม่พอใช้แล้วชีวิตของเราก็จะต้องเกิดความวุ่นวายขึ้นมา ถึงแม้เราจะมีเงินทองมากมายสามารถที่จะกินอาหารมื้อละห้าร้อยหรือมื้อละห้าพันได้ก็ตามแต่ถ้าผู้ตามความจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะกระทำเพราะมันไม่ใช่วิถีทางของคนฉลาดของผู้มีปัญญาเพราะว่าผู้มีปัญญานั้นจะต้องยึดแนวทางของธรรมะความถูกต้องดีงาม และไม่มีอะไรที่จะดีกว่าความมากน้อยเพราะความมากน้อยนี้จะเป็นสิ่งที่คอยป้องกันความโลภให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้ามีความโลภแล้วความโลภนี้จะเป็นตัวกดดันให้เราต้องไปขวนขวายต้องไปื่อนรนหาสิ่งต่างๆที่ไม่จาเป็นมาให้กับเรา แต่ถ้าเรามีความมากน้อยเราพอใจกับสภาพที่ที่ที่มีเท่าที่ความจำเป็นก็พออาหารรับประทานแบบราคาถูกๆ ก, ก็ได้ร้านค้าที่ขายตามข้างถนนก็ได้หรือถ้าเราขยันเราก็ไปซื้อกับข้าวกับบ้าแล้วก็มาทำอาหารที่บ้านราคาอาหารก็จะถูกลงเงินทองที่เราจะต้องเสียไป ก็จะน้อยลงก็จะทำให้เรามีเงินเหลือใช้มากคนเราเวลามีเงินเหลือใช้มากมันก็มีความอบอุ่นใจมีความสุขใจเพราะเรารู้ว่าเรามีที่พึ่งที่อาศัยในายามยากในยามลาบากเพราะว่าเรารู้จักใช้เงินใช้ทองเราใช้แต่สิ่งที่จำเป็นและใช้น้อยๆเท่านั้นคือไม่มากเกินไป แต่ก็ไม่น้อยจนเกินไปใช้เท่าที่จําเป็นถ้าน้อยเกินไปชีวิตก็อาจจะลําบากยากเห็นได้ถ้าเรามีเงินมีทองแต่เราเสียดายเงินทองมากจนเกินไปก็แทนที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเราก็ใช้น้อยเกินไปเช่นรับประทานอาหารน้อยเกินไปเสื้อผ้าที่จะมีไว้ใส่ก็น้อยเกินไป บ้านที่จะอาศัยอยู่ก็ไม่ปลอดภัยหรือไม่สะอาดพอที่จะดูแลรักษาชีวิตของเราให้อยู่ได้ั็เป็นปกติอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันคือคำว่ามากน้อยไม่ได้หมายถึงว่าให้เกิดความตนีให้เกิดความความความที่เหนิยว ถ้าแต่ให้ใช้ไปตามเหตุตามผลคือใช้ไปตามความจำเป็นถ้าจำเป็นต้องใช้มากหน่อยก็ต้องใช้ถ้าจำเป็นจะต้องเสียมากหน่อยก็เสียไปแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้มันอย่างนี้ต่างหากคือความหมายของว่าให้มักน้อยนั่นเองอย่างเช่นเสื้อผ้าก็มีความจำเป็นจะต้องใช้สักกี่ชุดเรา ถ้ามีความจําเป็นจะใช้ทั้งห้าชุดห้าชุดก็พอแต่ถ้ามีความจําเป็นจะต้องใช้สิบชุดสิบชุดก็พอความจําเป็นของแต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันเพราะคนเรานั้นอาจจะมีมีการงานมีหน้าที่ที่จะต้องทําเสื้อผ้าที่จะต้องใส่ไปทําหน้าที่การงานนั้นก็อาจจะมีความจําเป็นถ้าเป็นความจําเป็นแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยนะ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นจึงถือว่าเป็นความฟุ่มเฟือยความฟุ่มเฟือยนี่ก็เป็นผลที่เกิดจากความโลภนั่นเองถ้าเราปล่อยให้ความฟุ่มเฟือยความโลภนั้นเป็นไปโนยที่ไม่ได้รับการดูแลควบคุมแล้วความโลภความฟุ่มเฟือยนี้มันจะพาให้เราไปสู่ความหายณะต่อไปเพราะต่อไปรายได้กับรายจ่ายมันจะไม่พอกัน รายจ่ายมันจะมากกว่ารายได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะทำยังไงที่จะหาส่วนที่มันขาดมาบางครั้งก็เลยต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งานไปทำประพฤตนิในทางที่ไม่ชอบไปรักไปขโมยไปช่อกูไปโกหกหลอกลวงซึ่งก็เป็นธรรมซึ่งเป็ น, ปนการกระทำที่นำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจนั่นเอง พวกเราทุกคนต้องการความสุขความเจริญเราจึงต้องรู้จักวิธีดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปเพื่อให้มันเจริญให้มันสุขอย่างแท้จริงและการที่จะเจริญจะสุขได้เราก็ต้องมาควบคุมตัวที่สร้างปัญหาซึ่งอยู่ในใจของเราก็คือความโลภความอยากนี่ถ้าเราไม่ควบคุมแล้วชีวิตของเรานั้นจะต้อง มุ่งไปสู่ความหายณนะอย่างแน่นอนเราก็เคยได้ยินได้ฟังข่าวของคนที่มีปัญหาอยู่เสมอเพราะว่าความโลภนี่เองไม่รู้จักระงับความโรคความต้องการปล่อยให้ความโรคความต้องการนี้ผลักดันไปจึงทำให้กายเป็นคนเป็นนี่เป็นศิลเมื่อเป็นนี่เป็นศิลปก็ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยไปช่อโกง ไปทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องไปเข้าสู่คุกสู่ตารางสู่ความหายนะสู่ความวิบัติต่อไปนะทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้จักเหตุของความเสื่อมว่ามันอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองเราไม่เคยสนใจศึกษา พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราใช้เหตุใช้ผลแล้วเราจะสามารถดำเนินชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีได้ <c oughs> เหตุอันใดเป็นสิ่งที่จะนามาซึ่งความเดือดร้อนความวุ่นวายความทุกข์ความเสือญเสียเราก็พยายามระงับดับเสียแล้วชีวิตของเราก็จะได้ ไม่มีปัญหาตามมาต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเรานั้นจงหันเข้ามาดูใจของเราดูความโลภดูความโกรธของเราทุกครั้งที่มีความโลภเกิดขึ้นมาก็ขอให้ใช้เหตุใช้ผลอย่าไปใช้อารมณ์อารมณ์นี้มันเป็นของหลอกเราเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็จะคิดว่ามันดีไปหมด แต่พอได้สิ่งนั้นมาแล้วเมื่ออารมณ์ที่อยากได้สิ่งนั้นมันหมดไปสิ่งนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งธรรมดาธรรมดาชิ้นหนึ่งบางทีซื้ อ, ซ, อซื้อเสื้อผ้ามาชุดใหม่ได้ชุดหนึ่งพอกลับมาถึงบ้านอารมณ์ที่ชอบเสื้อผ้าชุดนั้นมันหมดไปแทนที่จะเอามาใส่ก็เอาไปแขวนทิ้งไว้ในตู้แล้วก็ไม่ได้ใส่